มักมีองค์แปดไม่ได้มีด้านเดียวนะมีด้านสัมมาทิฏฐิด้านถูกต้องมิจฉาทิฏฐิไม่ถูกต้อง <c oughs> ไม่ไม่ใช่เราเรียนอยู่บ้านดีเรียนอยู่ด้านเดียวปฏิบัติอยู่ด้านเดียวไม่ด้านที่สองมิจฉามิจฉา มิจฉาแปลว่าไม่ถูกต้องก็คือเห็นผิดไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นขันธ์หน้าไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเราอยู่ในด้านไหนลองคิดดูดิถ้าปฏิบัติยังไม่เห็นเราก็ยังอยู่ด้านมิจฉาทิฏฐินั่นแะมิจฉาสังกัปโป่กับหาสังกับโป ชังกัโปโภมีความดำรีชอบสมาชังกัปโปมีความดำรีชอบมิจฉาชังกัปโปดำรีผิดชอบก็คือถูกต้องถูกเห็นถูกคิดถูกคิดถูกจต่ในามิจฉาก็คิดผิดวันหนึ่งเท่าไหร่ที่เราคิดผิด ลองคิดดูมิจจาสังกัปโปคิดผิดเห็นผิดมิจจาวาจาจามาวาจามิจจากรรมันตาจามากกรมันตานี่มันมีคู่กันทางนั้นเลยนี่เราไม่ได้เปรียบเทียบกันก็เลยมันมีอะไรแต่ผิดผิดผิดผิดผิดผิดไปเรื่อยแต่เราคิดว่าโธ่มันไม่โธ มันผิดทีนี้เรารู้ว่านี่ตอนนี้ก็จะทําถนนทางลงมาด้านนี้ไงคนที่คิดก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเงินง่มันก็แล้วกันมันทาได้มาถึงก็หายมาถึงก็หายมาถึงก็หายคนที่มาดูเพอาะอะรเพราะมันรกรุงรัง มันก็ดูไม่เห็นหน้างานเห็นไหมมันก็หายหมดคล้ายมาดูก็หายหมดให้มันห้าพันมันก็ไม่เอาให้มันหมื่นมันก็ไม่เอาเพราะมันไม่เห็นหน้างานนี่เนี่ยมันมันไปจากเรานี่แหละเอาเด็ดแรกก็โยมชีไปทําให้โยมชีไปทำให้พระไปทํามันก็มิจฉาเหตุนั่นแหละมิจฉายังไงก็ฐางเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้ว ยอมจีิว่าถางเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วมันไม่เรียบร้อยละสินี่ให้ดูตัวอย่างไม้ขึ้นอย่างนี้ไม้เล็กไม้โตถ้าเสร็จแล้วก็ ่ีมีกันไกลมีมีคมคมปุ๊บก็อย่างนี้นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นไหมแล้วกดไปดูดี๋ยปุกปกปุกปกปุกปิกภายความเดินเหยียบก็เอายาแดงไปด้วยไปเอาหมอมาด้วยนี่แหละมิจฉาแล้วมันมันมือพอถือกันไกลถือมีดมันมือเนี่ยมแหลมเปียบอย่างนี้ไปดูติดต่อเต็มไปหมด ของพ่อเห็นมาว่าโอ้โหนี่อย่างนี้กีกากา้านันกี่วันแล้วที่ตําที่ปลายเล็บของมันติดเท้าของมันหาหมอแล้วก็ล้วงเข้าไปข้างน้อยทําแผลนี่เพราะอีอย่างนี้แหละนี่นคือมิดฉาี่ถ้าทําถูกต้องทํายังไงถ้าเรามีจอบก็เอาจอบกดที่ดินเลยถ้าไมมีจอบมีมีดกด นี่อย่างนี้ถ้ามันก็ไม่ข้าวหรอกตั้มมันก็ไม่ก้าวเห็นไหมฉะนั้นงานทุกอย่าง ม, มันมีเรียบร้อยกับไม่เรียบร้อยเราต้องให้เรียบร้อยเอาไห้แค่นี้อีกอย่างหนึ่งถ้ามันมีหลุมมันมีอะไรติดลึกๆอ่าเราก็ตัดตัดแล้วเอาไปสมุมๆมม ม, ม, ม, มมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะคนที่ก็มาทาก็ต้องเคลีย ทีนี้เราทําให้หยิบไม่ไหวคราดนะเนี่ยคราดออกมาคราดออกมาแล้วก็ตัดเน้มันเล็กๆองไปคือก็จะต้องรู้ว่าตรงไหนมีหลุมตรงไหนมีบ่อกขาจะต้องเห็นสภาพดินแล้วก็กวัดส่วนรูงของเสานี้เท่าไรเพราะเสามันไม่เท่ากันส่วนรูงเท่าไร่ส่วนกว้างเท่าไร่เนี่ยส่วนกว้างเขก็ต้องเห็นดินตรงไหนมันเป็นหิน ไเห็นเห็นเลยเี่ต้องอย่างนั้นทํางานต้องอย่างนั้นแค่นั้นความรอบคอบกับความไม่รอบครอบรอบครอบดีเรียบร้อยแต่ไม่รอบคอบไม่ดีไม่เรียบร้อยนการปฏิบัติธรรมเนี่ยการทํางานคือการปฏิบัติธรรมฉั้นการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่รอบคอบมันก็จะไม่ได้ผล เราต้องให้ละเอียดคือทุกอย่างจะต้องให้ละเอียดหลวงพ่อต้องนั่งไปไปนั่งดูทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันตรงไหนมันไม่เรียบร้อยบอกเขาอย่างนี้เป็นต้นแค่นั้นมันมีสองอย่างเท่าเนี้รอบคอบกับไม่รอบคอบรอบคอบก็คือปัญญาไม่รอบคอบก็คือโง่ทำแบบอะไรทำแบบโง่โง่ พอทำแบบโงโงๆมันไปเป็นแถวไปเลยนี่ทำเป็นปากเป็ดด้วยหมดทำเป็นปากเป็ดเท่าว่าเป็นฉลามฉลามง่าฉลามเป็นปากปลาฉลามอย่างนี้ท้งนั้นไปดูถ้าวันนี้ขอช่วยไปเคลียร์หน่อยเอาจอบถ้าจอบอจอบจวก็ไปข้างล่างเลยมันกาดถ้าไม่มีจอบมีใครมีกันไกรนี้ กานไกลของพ่อทองเล่มนะต้องเก็บไปเรียบร้อยนะอย่อีกเล่มหนึ่งยังหาไม่พบเนี่ยต้องตัดให้มันถึงพื้นดินนั่นแต่นี้ยางถรรมะต้นตาลดําเนี่ยมันแข็งออกขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ตัดแค่หน้าแค้งแล้วก็ตําปากจะหลามเอาไว้อย่างเนี้ยโอ้หน้ากลัวเห็นแล้วหวาดเสียวการล้มลงไปตรงนั้นรับรองได้ ไร้าตาลักออกมาเลยน่ากลัว่าทํางานอย่างนี้เนี่คือทั้งพระทั้งโยมชี้นั่นแหละต้องรบอบก้อไม่รบอบก้อไม่ได้งานทุกอย่างต้องรบอบก้เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเห็นไหมการปฏิบัติธรรมไม่ต้องมากก็ให้ต่างป่า ก, ก็รู้แล้วว่าขนาดไหนก็รู้แล้วการปฏิบัติธรรมนี่ต้องรบอบก้อต้องรบอบก้อทุกอย่างอจิตนี่มันไม่มีตัวตน จิตโง่ก็ไม่มีตัวตนจิตฉลาดก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนทังนั้นแต่มันแปลงร่างได้จิตนี่ยมันแปลงร่างได้จะแปลงร่างเป็นโง่ก็ได้เป็นโกงก็ได้เป็นฉลาดก็ได้เป็นถูกต้องก็ได้ไม่ถูกต้องก็ได้จิตนี่ยมันแปลงร่างได้ในทันทีทันใดเลยฉะนั้นเราทํางานนี้ต้องรอบข้อ ถ้าตมาเราทำสวนอย่างนี้ทำสวนเราก็ตัดโตอตโตโตตัดตัดเป็นปากเป็ดแน่ว้ะเอาลูกหลานของเรามาเล่นด้วยรับรองเลยได้อย่างนี้รับรองเลยมีปัญหาแน่นั้นต้องเรียบร้อยทีนี้ไอ้ตรงไหนตรงไหนที่มันเผาได้เราก็เผาเถอะเผาม่ใจรุกโปรง่ปรงๆนะคือ เราสับให้ละเอียดแล้วอยู่กลางๆอย่าให้ติดป่าไม้ทีนี้ไอ้ใบไม้แห้งๆก็เยอะแยะถ้าไม่พอ ก, ก็ตัดให้ละเอียดแต่อย่ายโยนทิ้งให้กลางๆอีกเอาไปตีรกๆเอาอย่างนั้นทีนี้เวลาคนเขามาทําก็กดดึงเส้นอะไร่างเงี้ก็ดึงเส้ น, นเขาดึงเส้น จากนี้ไปนี้จากนี้ไปนั่นจากนั้นไปโน้นพอดึงเส้นในทางที่ถูกต้องเขาดึงสามเส้นเพราะมันมีสองเสาสองเสาสองเสาเองด้านโน้นด้านนี้คือด้านซ้ายด้านขวาความกว้างที่นี้เสอยู่ตรงกลางเขาก็จะแก้ปัญหาได้ แค่นั้นแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเนี่ยก็ต้องเห็นงานฉะนั้นหลวงก็อ่านดูทำไม่ช่างมาหนี่ก็มาถึงก็หายตัวไปมาถึงก็หายตัวไปก็ไม่เอางานอย่างนี้เนี่ยคือหน้าที่ของเรามีแต่ํามเรียบร้อยพอมาถึงเขาก็สามารถที่จะอ่านออกวางแ่าที่ตรงไหนอ่า ความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไร่มีกี่เสาแตเสามันก็ไม่จะไม่เท่ากันเสาไม่เท่ากันอีกเสาจูงก็ค่อยเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงจนถึงพื้นนั่นแหละจนถึงพื้นเลยแะนั้นเราต้องทําให้เรียบร้อยะทําทอย่างนี้ให้เรียบร้อยวันได้นิดเดียก็ไม่เป็นไรเราทำให้เรียบร้อยก็แล้วกัน แล้วต่อไปพอราศึกออกไปกลับมาเยี่ยมหลงพ่อโอ้เนี่ยทางรถที่เราทำแ <c oughs> ช่ไหมเราก็พอใจคะทีนี้เด็กๆม .3 ามมี 3, มห้า ม, ม, มาที่นี่ตอนนี้โ ต, โตแล้วมีครอบครัวกันแล้วอ้าวเนี่ยเราที่เคยมาขนอิฐมาขนทรายอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ปูมใจเองเราก็เหมนกั น, กนอย่างนั้นนะ ของพ่อทำสะพานสะพานทางขึ้นของพ่อไม่ได้หาช้างอะไรเลยเป็นช่างเองในตัวเลยมันจดแล้วไว้ปริบของเราเราคิดหาลู้ทางจ้างใอ้คนก็มาถางท่อท่น้ำประปาน้ำบาดาลมันแตกตอนนั้นพอต่างเสร็จแล้วมันมีหินโผล่มา เห็นก่อนนั้นก็โปลมาก่อนนี้ก็โปรมาก่อ น, น้นก็โปรม า, อนนมาของพ่อเขาเลยเปลี่ยนความคิดตอนแรกก็ว่าต่างให้มันเรียบร้อยจ้างให้เขาต่างก็ต่างเสร็จแล้วเราเห็นงานเลยบอเออให้เด็กไปซื้อเชือกควางมาสิบเจ็ดบาทตอนนั้นในกลุ่มใหญ่สิบเจ็ดบาทเขาเอาออนี้ ทำกับเด็กสองคนลูกศิษย์ตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพมันเธอปลูกเชือกกระตือโหวเห็นก้อนนั้นแล้วก็มาก้อนนี้แล้วก็ไปก้อนนู้นแล้วก็ไปก้อนนู้แล้วก็อ่านดินอ่าว่าจะไปยังไงดีจะไปยังไงดีตั้งแถวตรงไหยตรงไอยตรงไหนตรงไหนตรงไหยความกว้างเท่าไร่เท่าไรเท่าไรนี่ทำอย่างนั้นก็เลยจ้างกองมา เทเสาถึงเทเสาเเราได้ระดับแล้วเก็เทเสาเทเสาแล้วก็เทการการการน้าองข้างนะการหน้าสองข้างการที่ติดกับเสาพอเทการเสร็จจังแผนไปจังแผนไปกรุงเทพแผ่นกว้างๆแล้วเราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ก็มาถึงบางคนก็บอกว่าเออต้องจักโรค จากโรคแล้วค่อยๆดึงมาโอ้ไม่ได้เรื่องเจ๊เวลาเอาจับลําเลยสี่คนหามหวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้อไม่ใจะหามเลยไปนะพอหามหมาถึงแผ่นแรกทํำยังไงเอาไม้กลมๆมาหนะ่อยถ้าทําหน้าแก้งรองตรงนี้รองตรงนี้เข็นไปเลยเข็นเขนไปถึงก็เรียบ มันไม่อยากเย็นยอะไรตรงใจนี่อใจหัวคือความถูกต้องไม่ใช่ว่าเราจะเอาเทคโนโลยีหมดไม่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นหรอกนั่นนะเราต้องประยุกต์ประยุกต์ชายทีนี้ถ้านี่เราทําเรียบเรียบเราก็เห็นตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนมันเรียบก็มาถึงกข อ, อ่านออกหมดในใจว่าอะไรเก็อ่านออกหมด นี่เราก็หมายความว่าหน้าที่ของเราจบแค่นั้นนอกนั้นเป็นหน้าที่ของช่างนีน่นั่นวันนี้ขออโรงไปทมให้เรียบร้อยได้จาก3ามว่าก็ช่างมันไม่เป็นไรหรอกแค่เรียบร้อยก็แล้วกันนี่น่ากลัวทมอย่างนั้นน่ากลัวดักบ้านหลวงพ่อเขาเรียกว่าดักฝากดักฝากดักฝากก็คือก็มีหลุม ด้านนี้เป็นตุ้งนาด้านนี้ก็เป็นนาแต่ว่าด้านนี้มีน้ําด้านนี้ไม่มีน้ําก็ก็ทําหลุมไวให้ปลามันกระโดดได้ไปอยู่ในหลุมนั้นทีนี้ดักขวาก็ก็ทําอย่างเงี้ยก็ทำไม่ปล่อยปลายแหลมๆ เ, เหมือนที่โยมชีไปดักก็อย่างนั้นแหละบอว่าดักไวกลางกลางอย่างนัน้มันก็โดนเลยมันก็ไม่กล้าหลยก็เรียกว่าดักขวา กวากแผลกวากแผลให้คนมาขโมยต้องมาก็โมยปลานั่นแหละเขาเรียกว่าดักฝากภาษากลางเขาเรียกอะไรไม่รู้พ่อกไม่ค่อยรู้ภาษากลางบางคำก่อนมันไม่ตรงกันกับภาษาใต้บางทีก็ต้องคิดกันอยู่เช่นว่าตะวันจะตกดินอย่างเนี้ยภาษาใต้เขาว่ามุ้งมิ่งมุงมิงม่ง มุงมิงก็คือมันโป ร, โปรเพยนั่นเองอ่ะมันโป ร, โปรเพยแต่พระายพระตาใต้ว่ามุงมิงอันนี้ก็ดักฝากก็ไม่รู้อะไรเพราะพ่อไม่รู้คํานั้นก็ยังไม่เคยเจอคือฝากแผลไว้กับผู้ที่มาขโมยน่ะดักดักแล้วก็ฝากเอาให้ด้วยนั่นนะแต่มันมีเยอะกรรมที่เราจะต้องมามาเปลี่ยนน่ะ เวลาพูดเวลาพูดในกลางประชุมแจ้งว่าปาชายใต้ว่าเพลงเพลงก็คือไอ้ที่ใส่น้ำมันกลมๆที่ใส่น้ําทนนี้ป่าชากลางของ็จะพระออมหรอกมันไม่ค่อยตรงกันแต่ปากใต้เขาเรียกว่าเพลงอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ําเครือหม้อ ด, ดินหม้อ ด, ดินแต่มันก็มีหลายประเภทอีก อดินสาหรับหุงข้าวสาหรับต้มแกงนมันมันคนละเรื่องกันทีนี้ของพ่อก็บอกว่าอย่าไปถือภาษาหลวงพ่อพยภาษากลางหลวงพ่อก็ไม่เคยรู้นักแต่ถ้าภาษาใตาน้นี่ชัดเจนชัดเจนภาษาใต้นี่าบางคนเอออยากควางจริงหลวงพ่อพอพูดได้สองภาษาอย่างภาษากลางสองภาษาทองแดง ทองแดงเนี่ยเนาะไม่ต้องไอ้ไอายทําไมไอ่ะห้ก็รู้ก็แล้วกันตาตาเมันไม่ใช่ของจริงเป็นที่สมมติทีนี่เราต้องรู้ในในโลกนี้อ่มันสองอย่างมันสองอย่างสองอย่างคือถูกต้องกับไม่ถูกต้องอถูกต้องเนี่ยคําว่าถูกต้องก็คือสัมมาคําว่ามิจฉาเนี่ยไม่ถูกต้อง ทีนี้อ้ที่ไม่ถูกต้องก็คือผิดฉะนั้นเห็นถูกกับเห็นผิดทําถูกกับทําผิดคิดถูกกับคิดผิดนี่มันเป็นสองอย่างแค่นี้ทีนี้พอเอาจริงกับสองอย่างนี้สลัดทิ้งหมดถ้าจิตว่างให้สลัดทิ้งหมดทั้งจริงทั้งไม่จริงจริงก็คือจริงภาษาสมมติไม่จริงก็ไปภาษาสมมติอทิ้งไปเลยแฉะนั้น ถ้าเราปฏิบัติถึงจิตว่างหนึ่งติ้งไปเลยเราไม่เอาทางนั้นของเซนเขาบอกว่าคนกําลังป่วยป่วยหนักใกล้จะทิ้นลมแล้วมีพระพุทธเจ้ามานั่งลรอมรอบอยู่ไม่เอาไม่เอาอะไรทางนั้นพระพุทธเจ้ามารอมรอบตัวเองอยู่ไม่เอาสลัดอย่างเดียวสลัดติ้งอย่างเดียวไม่เอาอะไรอย่างเดียวว่างอย่างเดียว นั่นแหละคือทีนีถ้าภาถาคลัโอ้พระพุทธเจ้ามาช่วยแล้วพระพุทธเจ้ามาช่วยแล้วไม่ใช่ Poppy. ไม่ใช่มาช่วยเราเพราะเราปฏิบ <question sitting, S 2> ัติเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เอาแม้แต่พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เอาไม่เอาอะไรทางนั้นเละก็คือเราไม่เอาจิตนันไม่เอาจิตปล่อยวางเราปล่อยวางจิตนั้นตออกไปเห็นพระพุทธเจ้าก็ดีเห็นพญามารก็ดีไม่เอาทางนั้นไม่เอาอะไรทางนั้น นั่นคือภาษาว่างสลัดติ้งหมดไม่อออะไรทั้งนั้นนั่นเนี่ยคือไม่ใช่กูถ้าเอามันยังมีกูอยู่ถ้าเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นนั่นเนี่ยคือมันไม่มีกูได้อย่างนั้นนั่นเป็นภาษาจิตว่างจิตว่างปล่อยวางหมดไม่มีอะไรเหลือก็ไปดูเดีภาพที่เห็นโกงะที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนะั้นยกมือตั้งตองขึ้นอย่างนี้ โปรยวางหมดในมือไม่มีอะไรเลยไม่อออะไรแล้วไม่อออะไรแล้วพอแล้วพอแล้วนั่นคือจิตปาษาจิตว่างภาษาจิตว่างมันพูดไม่ได้พูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทีนี้เพียงดยเดชแสดงกิริยาอาการอย่างนั้นแสดงกิเลสอาการแดีวเราก็อ่านออกเห็นดูที่ว่าที่เซียนทั้งสามคนสี่คน บางคนก็โอบปูนอย่างนี้นั่นเน่ยคือก็แสดงธรรมแต่เราก็ไม่รู้หรอกนั่นน่ยก็แสดงธรรมโอปูนอย่างนี้นั่นน่ยคือว่างจิตว่างบางคนก็ปรุงปรุ้ยนั่นเนี่ยคือจิตว่า ง, บา ง, ง, นนางบางคนก็อุ้มเด็กมีเมตตาจิตว่างมีปัญญามีเมตตานั่น ใชหอานออกหมดถ้าจิตว่างนะเนี่ยก็แสดงภาษาออกมาหนี่งอานออกหมดนั่นนะบางทีก็ทำมืออย่างนี้ถ้ามืออย่างนี้มีอ า, อาิยสัตยู่ยไปในใจกลางมือภาษาจิตว่างมียเยอะแยะเต็มไปหมดต่เอาอะไรก็ได้ พะบางองค์ของเซนถือไม้กวาดกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดว่างว่างกวาดว่างว่าไปไหนก็แบกไม้กวาดไปด้วยคือไม่เอาอะไรไม่เอาอารมณ์อะไรต่างนั้นนั่นคือภาษาจิตว่างถ้าสังกายนยกองค์ที่สองท่า น, นก็ต้องคาถาว่างว่างว่างว่างว่างว่างที่นี้เซนนี่ใครไม่ทํางานไม่ต้องกินข้าว เขาบัญญัติว่าอย่างนั้นทำวัยการทำงานคือการปฏิบัติธรรมฉะนั้นอาจารย์ก็าอายุแปดสิบเก้าสิบแล้วก็ยังทำงานทำงานไม่มีอะไรก็ปลูกประกาศปลูกแล้วไปขายด้วยนะไม่ได้ขายปลูกแล้วไปดองว่าดองว่าเขากินเจดองประกาศไว้เป็นปีๆเลยทีนี้ลูกศิษย์ก็ หลวงพ่อเลิกได้แล้วแก่แล้วหลวงพ่อไม่เป็นไรยังกินได้อยู่อะไรทําได้ก็ทําอะไรทําไม่ได้ก็ไม่ทําลูกศิษตนไม่ไหวก็เลยขโมยเครื่องมือเครื่องมือสาหรับจับสาหรับกดสาหรับอะไรนั่นเขาก็ขโมยเครื่องมืออาจารย์ก็ตื่นก็เมาเครื่องมือหายไปไหนลูกศิษย์ขโมยไปแล้วก็เลยนอนดีกว่า เราไปนอนหลวงพ่อตื่นจันอาหารอ้าวจันอาหารแล้วกินอาหารแล้วไม่ทํางานจะกินกระไปทำไงงา น, นแกก็นอนไม่ฉนอาหารถูกติดตรงออกมาคืนเวีนมาก็ต้องทํางานทําอะไรก็ได้นั่งธรรมะตีก็ได้อะไรก็ได้เป็นการทํางานหมดทีนี้พระสังกายายกองค์ที่สองนั่นแหละ การทำงานตัดไม้่ผ่ตัดไม้ไ่ผ่ก็าทาฟืนทำอะไรพาะนั้นน่ะเพราะว่าประเทศจีนน่ะลำบากเรื่องฟืนตัดไม้่ผ่ตัดโปะออกโปะเพรา ะ, ะ, ะข้างในแกก็ภาวนาว่างอยู่แล้วพอตัดไม้ไผ่โปะโอ้ไม้ไผ่กลวงข้างในนี่มันกลว ง, งกวง็งมันว่างอ๋อ ในร่างกายของเราจิตของเรามันก็ว่างเหมือนกันมันจูนข้าวกันพอดีเลยท่านก็รู้ทำในตอนนั้นนี่คือการปฏิบัติดำการทํางานคือการปฏิบัติดำเราอยากไปดูถูกว่านี่บวชก็มาทํำแต่งานเหรออ๋อก็คุณภาวนาไปที่คุณภาวนาไปภาวนาเลยก็เอาไปนั่งดูวันนี้ทําอะไรมันเป็นยังไง แต่ที่ตรงนี้ที่มันรกรกหรือว่าที่มันมันทําแล้วมันมันมันมีอยู่แต่มันมันจกกับรกทํำยังไงตัดมันให้หมดหรือผิดอีกแล้วแต่ไงมันสะอาดเรียบร้อยกลับเมื่อก่อนเราเห็นนมันไม่เรียบร้อยแต่หลวงพ่อทําไม่ได้สําหรัพยมชีทําได้พระก็ทําได้ถาดถางแต่ว่าปุตรหิตอายุแล้วมันไม่ ไม่ค่อยหมอสมแล้วแรงมันไม่พอทีนี้เราดูก่อนที่เราจะกวาดขยะทางเดินมันรกใบไม้แห้งใบไม้สดหรืว่าที่เราจะแต่งต้นไม้ตรงนี้โอ้มันรลกลุงรลังไม่จะตัดทิ้งแต่งเรียบร้อยโอ้ยเดินก็สบายเห็นก็สบายใครมาเห็นก็สบาย เห็นไหมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงลองคิดดูดินี่ยถูกต้องกับไม่ถูกต้องว่างกับไม่ว่างมันอยู่ที่ตรงนี้เลยอยู่ที่ตรงนี้เนะคล็ดลับฉะนั้นเราทําอะไรให้สะอาดเรียบร้อยคนเอื่นมาเห็นก็นสบายบางคนพอขึ้นมาโอ้วัดนี้สบายจริงทําไมมันจึงสบายเราแต่งตรงนั้นแต่งตรงนี้แต่งตรงนั้ น, น, น, น, นมันเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติที่มันระอาดพอจ ะ, ะอา่าดเดีความสงบมันก็เข้ามาทันทีนี่แหละดังนั้นการทํางานเนี่ยคือการปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าบวชกามาเออหลวงพ่อหลอกก็เรามาใช้นี่ไม่ได้หลอกใครไม่ทํางานไปนอนได้เลยนั่นจะไม่รั่วอะไรจริงจเนี่ยการทํางานคือการปฏิบัติตามทีนี่พระธมอยโบราณ่ะ พอจะไปนั่งธรรมะทิในป่าในดงในอะไรนี่จะไปอยู่เดียวไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้ปัญหาไปไปนั่งไปเดินไปกวาดขยะาไปอะไรภาวนาภาวนาภาวนาไวนา้นั่นแหละพอออกปรรษาก็มารายงานพระพุทธเจ้า สมมติพระสามสี่องค์อย่างนี้อะไรงานอะไรองค์หนึ่งก็ไปเรื่ององค์หนึ่งก็ไปเรื่ององค์หนึ่งไปเรื่องนึแล้วเรื่องทังเรื่องแก่แต่แล้วองค์จุดท้ายนะท่านเห็นอะไรต่อลังคาตะลุปัตตาลุแล้วก็แสงแดดมันสรงลงมาท่องลงม า, ง ล, งมาลงที่ไหนลงที่พื้นจากพื้นไปไหนก็ลงดิน ถ้าไม่มีดินนี่จบก็คือจับเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมหมดจับเป็นการปฏิบัติธรรมหมดไม่มีอะไรแม้แต่ว่าลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกที่มันเคลื่อนไหวนี่ยังไม่หายใจไม่ได้อะถ้าไม่หายใจมันตายอ่อเรากลัวตายนี่เราต้องรู้ว่าลมมันมาจากไหน อ, อะไรมันมาจากไหน มันทำหน้าที่อะไรพอเข้ามาในร่างกายแล้วแล้วมันออกไปมันก็ไปสาสร์างใหม่เล้าเข้ามาอีกแล้วก็มาเดินสายถ้าขาดลงขาดออกซิเจนสามนาทีห้านาทีตายแล้วสมองตายแล้วคนนั้นจบเนี่ยแตนีนถ้าเราอยู่ ไม่มีลมไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจ น, น, นก็คือตายก็คือตายนั่นคือตายทางร่างกายแต่ว่าด้านจิตใจเรามีแต่อาหารที่เป็นพิษทีเดี๋ยวนี้อาหารเป็นพิษทังนั้นที่เป็นพิษพอเราเข้าไปยินดีเป็นพิษกับเราแล้วเราก็าไปยินร้ายเป็นพิษกับเราแล้วอืแต่ถ้าเราจันอาหารว่างไม่เป็นพิษกับใคร มันก็ไปทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาตินี่คือเราไม่เอาทั้งสองอย่างมาตากิรามาตานุโยกการบำเพ็ญตนใน ห, หลังบากก็ไม่เอาการมาถูกการลิการนุโยกมากเกินไปเราก็ไม่เอาเราเอาตรงไหนมัชฌิมาปฏิปทาพอดีพอ ด, พอดีทุกอย่างพอดีพอดีฉันั้นไม่เอาทั้งสองอย่างทางขึ้นทั้งล่องมีกูทานั้นนี่ มันไปลงที่ตรงนั้นไม่มีที่ลงที่อื่นถ้ามีกูก็ทุกถ้าไม่ใช่กูก็ไม่ทุกมันอยู่ที่ตรงนั้นนี่คือยุติกันที่ตรงนั้นไม่มีอย่างอื่นไม่มีคำว่าสองหนึ่งเท่านั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นดังนั้นอย่าคิดว่าเราไปตัดไม้อยู่เรไปกวาดขยะอยู่เสียวเวลาในการนั่งธมามทิเอา้าถ้าคุณทำธรรมทิในการกวาดขยะไม่ได้อ กวาดไปที่ว่างว่างว่างว่างวงเวียงซ้ายเวียงขวาว่างว่างว่างว่างว่างพระเซนเอกเหมือนกันเนี่ยมันก็ว่างว่างวงวงเวียงไปเวียงมาไปโดนลูกกรวดพอโดนลูกกรวดก็เกิกวาดไปโดนลูกกรวดลูกกรวดก็ไปกระทบกับกอไผ่มันอยู่ข้างๆไอ้ตีทางเดินอย่างนั้นแล้วมันก็ดังโป๊ก ดังโปพอดังโป๊ตาแจ้งขึ้นมาทันทีแจ้งขึ้นมาอย่างไงแจ้งขึ้นมาเรื่องปฏิจจสมบรณ์บาทสมุปบาทรวายเกิดเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่นกไยเกิดควายเกิดคือเกิดกไยเกิดทุกมเกมื่อจิตมีนั่นะคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เมื่อจิตมีจิตนี้เป็นตัวกูของกูร่างกายก็เป็นของกูเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาคือจิตโง่การคิดปรุงแต่งในเรื่องโง่โง่มันก็เกิดอืินสังขารวิญญาณตัวความรู้สึกที่มันโง่โง่แห็นโง่ได้ยินโง่ได้กลิ่นโง่เนยมันก็มาในเรื่องโง่โง เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่นี่ฝ่ายหนึ่งแล้ยกว่าฝ่ายดับทุกเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะอาวิชาดับอาวิชาดับอาวิชาคือจิตโง่มันดับพอจิตโง่มันดับสังขารการคิด ก็ค right you know ิดด้วยปัญญาหมดกายสังขารก็ไม่ใช่ของกูคําพูดนี่ก็ไม่ใช่ของกูมันปรุงแต่งตามธรรมชาติแล้วกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารความคิดก็ไม่ใช่กูมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทัางนั้นเลยถ้าคิดตามธรรมชาติพอคิดว่าไม่ใช่กูนั่นก็ว่างหมดมันก็ฉายดับนั่นฉายดับทุกข์มันว่างว่างว่างวงวางไปหมด ม่อยู่ปีหนึ่งหลวงพ่อไปจำนักนั้นจำนักนี้ไปเรื่อยๆไปมันอย่างนั้นแนี่ยที่เขปฏิบัติตรงไหนเราไปนอนสักคืนสองคืนโอไปถึงนครปฐมแล้วก็จะแยกไปที่จุพันณบุรีแลที่จุพันณบุรีเกิดไปของอาจารย์แป้ น, นอาจารย์แป้นก็เมื่อก่อนก็ดังที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าเกิดปัญหาขึ้นแกก็ย้ายไปอยู่บ้านเดิมแกแกไปสร้างวัดใหญ่โตเจ้นี่หลวงพ่อก็ไปนอนที่นั้นคืนหนึ่งนอนที่นั้นคืนหนึ่งพ่อพอหลวงพ่อไปที่ไหนคือก็จะให้พระนั่นพระอากาันตุกะนะไปพักหลังเดียวกันหมดเจนี่หลวงพ่อก็ไปเดินสังเกตการแล้วก็ไปดูในโบสถ์ในวิหารในอะไรเขา ก็ามาถึงอาบน้ำอาบาดาศเส็จก็พระทิอยู่พักด้วยกันนั่นแหละมานั่งร้อมรอบหลวงพ่อแล้วจะกว่างทำกันหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรเขาแค่มากว่างทำกันเองเอาก็พูดให้เขากวัางพพูดให้เขากว่างเสร็จแล้วก็รูถึงหัวหน้าก<ม>็อ๋อเกนนี่นิมนต์หลวงพ่อ ขึ้นช้าราใหญ่เราก็ปฏิบัติกันดีนะหลวงพ่อก็ขึ้นไปใครพูดเรื่องสติปัฏฐานสี่พราะอาจารย์แป้นเนี่ยท่านจะสอนสติปัฏฐานสี่อยู่เส็จแล้วก็พอพูดจบพระรูปนะพวกผมจะขอเทพได้ไหมพระก็คุณไม่อาจจะขอผมได้ยังไงนี่นี่แหละมันเป็นอย่างนั้นะเป็นอย่างนั้นไปที่ไหนก็เป็นอย่างนั้น ทีนี้ตอนที่เลี้ยวที่รถมันเลี้ยวเข้าไปสุพรรณบุรีรถคันหลังก็มาชนจนรถหลวงพ่อเลยวชนกันสี่คันชนกันสี่คันทีนี้ตอนนั้นพระหลวงพ่อไปงานไกลก็ไม่ทราบก็โอามากมากรูไม่เอาเอาแต่มากมากออกมาอม อมทินี้วางไว้ข้างหน้าใกล้ๆคนขับแต่หลวงพ่อก็นั่งข้างหลังเข้าไปกันสองคนแล้วเอื้อมมือเอืมมืออย่างเนี้ยก็ไปหยิบมากเขหยิบมากกรูมก็าอ้าเป็นอย่างไรว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ เพราะอวิชชาเกิดสังขารเกิดเพราะสังขารเกิดวิญญาณเกิดเพราะวิญญาณเกิดนามรูปเกิดเกิดเป็นตัวกู่ของกูหมดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะจิตโง่ดับความคิดก็ดับความรู้สึกก็ดับอะไรก็ดับดับดับดับดับดับนี่แป๊บเดียวเนี่ยมันจะเกิดเว็บปฏิจจสมุปบาทเว็บเดียวนี่ไม่มากหรอกเห็นไหม ฉะนั้นเราจะทำอะไรอยู่ก็ได้รถจะจนโตดจนก้นเงินก็ได้เราอยู่ในรถก็ไม่ได้ตกใจเลยเลยกลับไปเกิดปฏิจจตวัวบุพบาทที่อีกแห็นไหมนี่นะต้องอยู่ในจิตต้องอยู่ในการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการปฏิบัติทิ้งไม่ได้ ภาวนาวนี่ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้อ เ, อเอาหยุดแค่นี้